พุทธศตวรรคะ่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะรายการสันสนีสนทนานะคะเราก็พบท่านเป็นประจำการทางสถานีทีวครอบครัวข่าว FM ฟเอร้แห่งนี้ในระยะหลังนี้ดิฉันก็จะมาพบกับท่าน พ, พร้อมๆกับพระมหาไพบูลเฉพาะช่วงวันพรหัสศตวรและวันศุกร์โดยตั้งแต่วันจันทร์ื่อมาในท่านไพบูล์ก็ได้ให้ธรรมะกับทุกท่านกันอยู่แล้วนะคะในส่วนของวันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสนทนากัน ซึ่งในห่วงของการสนทนาเนี่ยดังันก็นมัส ก, การให้ท่านได้ช่วยกุณาสอนการปฏิบัติธรรมในรายการเลยเพื่อที่จะให้ผู้ที่ไม่ค่อยมีโอกาสนะคะที่จะว่างในการจะไปแสวงหาการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบก็จะได้มีโอกาสฝึกแล้วก็รู้สึกสบายอกสบายใจที่อย่างน้อยก็มี การให้ทําทางออนไลน์นะคะพระมหาไพบุญอภิปุโนจากวัานป่าดอนไฮโซอุดรนธานีคือพระอาจารย์รูปนั้นค่ะตั้งใจเลยนะคะเพราะเดียวท่านจะนําเราปฏิบัติทํากันเลยกราบนมัสการค่ะทั้งคะเจ้าบาลเวลาที่เรามาฟังธรรมเราก็ให้ตั้งสติไว้ไม่ว่าเวลาที่เราจะฟังธรรมทางานหรือทาสิ่งใดก็ตามถ้าสติที่เราตั้งไว้ในใจแล้วจิตใจของเราเนี้ยจะเป็นอารมณ์เดียว การทำสิ่งนั้นๆก็จะมีความสำเร็จได้ถ้าเรียนหนังสือก็จะเข้าใจได้ดีถ้าทำงานก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าจะปฏิบัติธรรมก็สามารถใช้กำลังจิตตรงนี้มาเพื่อที่จะตัดละเจ้า ก, กิเลสตัณหาอาวิชชาอสวาตต่างๆไปได้เดี๋ยววิธีการที่เราจะเริ่มต้นนั้ น, น, นก็คืออยู่ที่ปลายจมูกของเราแต่ต้นไหนคือปลายจมูกเอาเลื่อนเข้าไปอีกหน่อยสัก2อถึงสเซนติเมตรบริเวณที่เรารับรู้กลิ่น เวลาที่เราดมกลิ่นของหอมหรือของเหม็นเนี่ยได้รับรู้กลิ่นได้ตรงไหนเอาจิตของเราเนี่ยตั้งไว้ที่ตรงนั้นเหมือนกับผูกเอาไว้เลยเหมือนกับปากมุดเอาไว้เลยแต่วัวควายเวลาโตโตขึ้นมาหน่อยจากลูกวัวลูกควายเขาก็จะมีการสนทภายมันเอาไว้แต่เหมือนกับจิตของเราเอาฝึกแล้วทําการฝึกมันโดยการที่ปักจิตของเราเนี่ยไวนะ้ณที่ตําแหน่งที่เราสามารถที่จะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกอยู่ในโพรงจมูก สัมผัสนี้อาจจะไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาอาจจะชัดบ้างอาจจะอ่อนบ้างแล้วแต่วันแล้วแต่เวลาด้วยเราก็ให้ตั้งสติไว่อยู่ที่เดิมเพราะว่านในขณะที่เราหายใจเข้าจนสุดแล้วลยังไม่ทันจะหายใจออกกาลังจะเปลี่ยนเป็นลมหายใจออกเนี่ยตรงนั้นก็จะมีการหยุดของลมหายใจนิดหนึ่งเดี๋ยวว่าหายใจออกแล้วแต่กาลังจะเปลี่ยนเป็นลมหายใจเข้าหายใจออกสุดแล้วยังไม่ทันจะหายใจเข้าดี ตัวนี้นก็จะมีการหยุดของลมหายใจนิดหนึ่งซึ่งในขณะที่มีการหยุดหายใจนี้ไม่ว่าจะเกิดจากการที่สุดลมหายใจก็ตามหรือจะเกิดจากการที่ในขณะที่พูดก็ตามตรงนั้นเนี่ยจะไม่มีสัมผัสเกิดขึ้นแต่แต่ว่าเราสามารถที่จะกําหนดจิตร้อยให้ไว้นะที่ตําแหน่งเดินได้คือตําแหน่งบริเวณที่เรารับรู้กลิ่นนี่แหละตรงนี้เขาเรียกว่าปริมุกขังคําว่าปริมุกขังนี่ก็คือหน้ามุกมุกนี่คือหมายถึงบริเวณทางเข้าทางออกของอะไรก็หน้าเรานี่แหละ หนะ้าเรามีสิ่งที่ยื่นออกมาเพื่อที่จะบ่งบอกเป็นว่าเป็นทางเข้าหรือทางออกนีก่คือจมูกแต่จมูกที่ยื่นออกมาจากหน้าเนี่ยเพื่อที่จะบ่งบอกว่าอันนี้เป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจนะพระพุทธเจ้าให้ตั้งจิตอไว้ในะที่ตรงนี้ซึ่งในการกําหนดจิตการตั้งจิตการที่เรามาจดจ่อไว้การมาระลึกถึงตรงนี้นะเราไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมให้อยู่ณนะที่ตำแหน่งนี้อย่างเดียวพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาที่ นายทบานหรือพยายามเขาเฝ้าอยู่ที่ประตูไ ม, ม่ว่าจะเป็นประตูที่บ้านจัดสรรคหรือโรงงานหรือว่าสถานที่ราชการพอตั้งเอาไว้อย่างนี้แล้วเขาไม่ได้ตามคนเข้าไปข้างในเขาไม่ได้ตามคนออกมาข้างนอกจะได้ยินเสียงใดๆก็ตามก็ให้จิตของเรามีสติตั้งไว้นัดที่ตรงนี้แน่นอนความคิดใดๆมันอาจจะผ่านมาบ้างแต่ในขณะที่ความคิดอารมณ์หรือความรู้สึกจะเป็นเสียงเป็นภาพผ่านเข้ามาแล้ว แต่เรารับรู้อยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ให้จิตของเรานั้นไม่ลืมลมหายใจในการที่จิตไม่ลืมลมหายใจไม่ว่าจะมีสิ่งใดมากระทบก็ตามพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้นี้เป็นผู้ที่มีสติไม่ลืมหลงเป็นผู้ที่ถึงแม้จะอยู่ไกลจากพระพุทธเจ้าเป็นร้อยๆ้ยโยต์แต่ก็เหมือนกับอยู่ใกล้ทันเหมือนกับว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนอย่างดีบุคคลผู้นี้จะเป็นผู้ที่สามารถจะรักษาศาสนาได้สามารถที่จะรักษาคําสอนให้เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าสอนได้ นี่จะเป็นธรรมทานยา่าได้เป็นทายาทในทางปฏิบัติของพระพุทธเจ้าะฉะนั้นในระหว่างวันเราฝึกให้เราเป็นธรรมทานยา่าฝึกให้ในการที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่อย่างต่อนเนื่องอันี้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลที่เราทําได้อยู่ระหว่างวันด้วยจตุมบานค่ะว่าหากในระหว่างการปฏิบัติเรามีผัสสะอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเกิดขึ้นก็ให้ดํารงสติอยู่เช่นนั้น ใชก่การที่ดำรงสติอยู่นี่คือในจิตให้ทํำอยู่อย่างนั้นแต่ว่าทางกายนะคุณอาจจะไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าจะต้องจัดแจงสิ่งใดนี้ก็ทําไปเถอะแต่ว่าใจเนี่ยให้ให้ประกอบประคองสติไว้ให้ดใใีในเรื่องนี้ผมมาต้องการยกตัวอย่างเพราะว่าบางทีจะสับสนกันว่าถ้าจะรักษาสติไว้งั้นงั้นกายฉันต้องไม่ขยับมันมันไม่ใช่อย่างนั้นพนะระรูปเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับคนที่เขา ถือหม้อที่เต็มไปด้วยน้ํามันมานะอันนี้คุณโยมติวอาจจะเคยได้ยินพระสูตรนี้คนที่ถือหม้อที่เต็มไปด้วยน้ํามันเราก็ให้เดินไปในระหว่างเวทีที่เขามีการจัดประกวดนางงามแล้วก็ไม่ใช่นางงามธรรมดาด้วยนางงามที่เขามาเต้นมาโชว์อะไรกันแล้วก็มีกับกลุ่มชนที่เขามาดูนางงามนี้ให้คนถือหม้อที่เต็มไปด้วยน้ํามันจนถึงขอบปากเนี่ยเราก็ถือเดินไปในระหว่างนี้ถือเดินไปในระหว่าง แล้วก็มีเพชฌฆาตตามมาข้างหลังด้วยนะเพชชฆานี้เล็งไว้ก่อนละว่าตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าผู้ที่ถือถาดน้ํามันนี้หม้อน้ํามันนี้เนี่ยทำน้ํามันหกตกไปที่ไหนแม้แต่หยดเดียวเนี่ยเล็งไว้แล้วนะจะบั่นคอของผู้นั้นคือจะตัดคอของคนนี้ให้ตกลงไปนะที่จุดเดียวกันเพชชฆาตเขาทำอย่างนี้นะบุคคลทีออ่อยู่ในลักษณะนั้นเนี่ยเขาจะคอยประครับปรครองหม้อ น, นี้อย่างดีเลยแล้วก็ต้องเดินไปด้วย นะอย่างนี้คือเช่นเดียวกันว่าถ้ามีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่ไปแก้ปัญหาไม่ทําอะไรแต่ว่าให้เราเนี่ยประคับประคองจิตให้ดีอย่างนี้นะอย่างนี้มันถึงจะถูกต้องนะสาธุนะคะท่านเพริโยนคะคนเราเนี่ยมีโอกาสจะเจออะไรแบบนี้แล้วถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะมีความารมู้สึกลาคาญแหมชีวิตชั้นให้ปฏิบัติยากจริงๆอยู่ที่ไหนวิเวกก็ไม่ได้ค่ะใช่เพราะว่าเพราะว่าเรื่องของความสุขความทุก ที่มันเกิดขึ้นอาจจะสมหวังไม่สมหวังนี่เป็นธรรมดาที่จะเกิดขึ้นในในชีวิตของเราในขณะที่ไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์ตามถ้าเราสามารถที่จะทรงจิตให้อยู่ในเรื่องของมรรคแได้อันนี้ถือว่าเราปฏิบัติตามคำสอนเป็นธรรมตายาดได้ค่ะนะค ะ, ะในวันนี้ดิฉันก็อยากจะกลับเรียนสนทนากับท่านไปพร้อมๆกับสิ่งที่กาลัง ตั้งใจศึกษาอยู่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะคะก็คือกำลังอ่านพุทธวจนะหรือว่าพุทธพธนจน์เนี่ยจากพระโอษ์ในส่วนของอริยสัจภาคปลายทีนี้ก็จะมีการพูดถึงมร8หรือว่าอริยะอัดถังคิกะมร๘มากเลยพูดถึงคำว่าอริยะอัดถังคิกกะกับคำว่ามร8ธรรมดาที่เราจะเรียกกันเป็นภาษาปากเนี่ยถ้าแยกเรียกกันอย่างนี้ต่างกันคะท่านคะ คําว่ามาร์กก่อนเอาเอาแลกไปทีละคำแล้วคำ่ามาร์กแปดมกแที่เราเรียกกันในภาษาไทยเนี่ยก็คือมาจากภาษาบาลีนะแนี่คือลายคืออัดถังอัดถาเนี่ยปแปลว่า8 8ดแปาดเนี่เป็นภาษาบาลีน ะ, ะลายเป็นภาษาไทยว่า8แล้วก็มาร์กนี่ก็คือแปลว่าทางอารยะก็คือประเสริฐแล้วก็ทางอันประเสริฐนะที่ประกอบด้วยองค์8ปนดะทางอันประเสริฐนะที่ประกอบด้วยองค์8 หรือทางที่ประกอบด้วยองแปดอันประเสริฐแต่บางคนจะแปลอย่างนี้ก็ได้ก็มาจากสัมบาลีที่แปลว่าอริยะะอัดังคิกกะมรคที่ฉันสงสัยคําว่าขิกะเนี่ยแหละค่ะก็คือประกอบด้วยไงอ๋อประกอบด้วยองแปดประการค่ะอริยะประเสริฐใช่อัดถังแปดขิกกะประกอบในทางนี้ทางใช่นะคะรวมกันแล้วแปลว่าหนทาง อันประเสริฐที่ประกอบด้วยองแปดประการองแปดชื่อเพราะนะคะอริยอัตถังคีกรรมักแต่พอคนไม่คุ้นเคยในยมาอ่านปุ๊บตกใจไปดีกว่ายากก็นี้ก็จึงต้องมีครวูวาจารย์ที่ท่านรู้ภาษาบาลีแล้วท่านก็แปลมาให้ค่ะให้แบบเข้าใจได้ง่ายโอ้มักแปดมักแปดโอเคเข้าใจใอย่างเ <c oughs> งี้ย <c oughs> และพูดจริงๆถ้าเราพูดแค่คําว่ามักแปด จะได้ความสมบูรณ์ไหมคะหมายถึงทางยิ่งใหญ่ที่พระพุทธองค์สอนเอ่อคือการกําหนดบทเพลงชนะอาจจะไม่เนี้ยบถ้าถ้าจะใช้คำวาพูดย่อๆนะ<ฆ>ในภาษาไทยเราพูดย่อๆว่ามาร์กแปดมาร์กแแต่ถ้าการกําหนดบทเพลงชนะจะให้เนี้ยบก็ต้องพูดอย่างที่พระพรุทธเจ้าตรัสนี่แหละอ๋องั้นในฐานะที่เป็นผู้สื่อสารสื่อเอาสารไปถึงท่านเลี้ยงขออนุ ญ, ญาตเรียกอริยะอัดทางคิกกมัด เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายคุ้นเคยเทนมากที่สุดใช่นะคะค่ะท่านคะทีนี้เรามาลงถึงรายละเอียดเนี่ยอริยธรรงคิกมรรมก็จะมีสัมมาอยู่แดอย่างซึ่งพวกเราท่องกันมาถ้าเป็นส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในโรงเรียนพุทธตั้แต่เด็กนะคะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตสัมมาอาชีวสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธินีดิฉันไม้เต็มกัน ถ้าเป็นลงรายละเอียดยังไม่แน่ใจทีนี้เดิฉันถามเรื่องพื้นพื้นก่อนที่เข้าใจง่ายเช่นคําว่าสัมมาวาจายอย่างไง น, นะคะ อ, อดูเหมือนกับเข้าใจง่ายเพราะพูดถึงว่าไม่พูดโปดไม่พูดคํำยาไม่พูดส่อเสียดอันนี้ต้องอธิบายนิดนึงว่าไม่พูดในคนแตกกันถูกไหมคะแล้วก็ไม่พูดเพลเจอร์เนี่ยดูง่ายดูเข้าใจง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราเข้าใจแค่นี้เพียงพอหรือไม่หรือควรจะเข้าใจอะไรมากกว่านี้จะได้ปฏิบัติได้สมบูรณ์มากขึ้นคะท่านคะเอาเพียงเพียงแค่คำค ำ, คำเข้าความเข้าใจที่ว่า4ี่อย่างอย่างที่คุณโยมติพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเอ่อก็ปฏิบัติได้อันนี้ก็ดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วแต่ล้ถ้าทําความเข้าใจให้มันลึกซึ้งเพิ่มเติมขึ้นไปว่าในสัมมาวาจานี่ก็มีสัมมาอื่นๆอยู่ด้วยนะอันนี้เราก็จะได้แง่มุมเพิมเ่มเติมมากขึ้น ก่อนที่จะไปถึงจุดที่ว่าเอ้ยสัมมาวาจามีสมาร์อื่นๆอยู่ด้วยเอาเราทําสัมมาวาจานี่ยเอาตรงจุดไหนที่เราทําได้ดีก็ดีแล้วแต่บางมีบางจุดที่แม้คนนี้ขอเว้นไว้สักคนขอแขวมันหน่อยนึงนะขอเฉาะมันหน่อยนึงด้วยวาจาอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็แสดงว่าเรายังปฏิบัติได้ไม่ดีไม่เนียบเราก็ทําพยายามเอามาทําในชีวิตประจําวันทําในชีวิตประจําวันทางด้านนี้ได้แล้วก็ทําในชีวิตประจําวันทางด้านอื่นด้วยอย่างนี้ก็จะละเอียดดีขึ้นไปค่ะ ในที่นี้คําว่าวาจาเนี่ยจะหมายรวมไปหมดเลยไหมคะว่าเป็นทั้งที่เปล่งออกมาจากทางปาก<ม>เป็นทั้งที่เขียนเป็นทั้งที่ไปถ่ายทําอะไรให้ใครดูอื<ม>คือการสื่อสารทั้งหมดไหมคะต้องรวมถึงการสื่อสารด้วยคําพูดหมายถึงว่าการพิมพ์ทางอินเทอร์เน็ตเนี้ยสมมติส่งไลน์กันอย่างเงี้ยถือว่าเป็นบาจาทันทีคถึงแม้ จ, <า>จะไม่ได้เปล่ ง, งเสียงยก็ตามนะบางอย่างเปล่งเสียงแล้วสื่อสารยากนะคะ เช่นสมมุตินั่งดูโทรทัศน์อยู่เราก็ควบคุมสัมมาวาจาล่ะอืมแต่เราหมั่นไส้คนที่พูดในโทรทัศน์มากเลยสมมตินะคะเดี๋ยวดูแล้วมันขัดใจแล้วเฮ้ยเนี่ยเขียนยากนะคะหรือหรืออาจจะเกิดอาการนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นมิจฉาวาจาไหมคะอันนี้จะเป็นลันกษณะของมิจฉาสังกับะจะเป็นมิจฉาสังกับคือความดําริที่มันไม่ถูกอะ่ะไปเครียดครัดให้เขาคิดแบบนี้ก็คิดเบียดเบียนเขาละ เนี่เป็นลักษณะของมิจฉาสังกปะไม่ไม่ผิดตรงๆงกับสัมมาวาจาแต่จะไปได้อีมากเลยอีคือแยกทังคิกมักเลยใช่ใช่ก็คือสัมมาสังกปะนะคะสัมมาสังกปะถูกต้องทีนี้ในส่วนแปลว่าสัมมาเริ่มจับได้นิดนึงว่าสัมมาทั้งหลายมีเกี่ยวเนื่องกันใช่ใช่มีความเกี่ยวเนื่องกันแน่นอนเมื่อือคือตรงเนี้ยการกําหนดบทเปลี่ยนชนะให้เนี๊ยบเหมือนจึงมีความสําคัญเพราะว่าตัวธรรมะเองเนี่ย พอได้ยินสมัยเด็กว่ามาร์กแปดมาร์กแปดเนี่ยก็คิดว่ามีเป็นทางแปดสายนะคือคิดว่ามันแยกกันอยู่แต่จริงๆไม่ใช่คำว่ามาร์กเนี่ยเป็นตัวใหญ่สุดนะคือหมายถึงทางอันเดียวทางอันเดียวที่มีองค์ประกอบ8ปประกา ร, ร, การเพราะฉะนั้นการที่เราคุณยมติวกำหนดเบอร์เพนช์ชนะให้เนียบเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะเรามาเห็นว่าดีค่ะทั้งครับงั้นบางคนที่เชื่อว่าส่วนใหญ่เข้าใจอย่างนั้นตัวเองก็เข้าใจอย่างนั้ น, อยอย น, นแม้บางครั้งเนี่ยเรา อรู้สึกว่าสนใจธรรมะมากๆแล้วก็ยังเผลอเข้าใจอย่างนั้นว่ามีอยู่แปดอย่างในบางครั้งนะคะทีนี้อ่บางคนก็เลยมีคํากล่าวว่าอุย้ยเราจะเลือกเดินมัชสัมมาวาจาก่อนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทําอยู่มากๆกันทุกคนอาอทํันนี้ก่อนอันอื่นค่อย ท, ทําทีหลังอือันนี้ผู้ถูกหรือผิดคะท่านคะทำทำตรงนี้ที่เราตั้งใจจะทําเนี่ย อันนี้คือทําได้เลยเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นสัมมาสติทันทีในการที่เราจะระลึกว่าเฮ้ยฉันจะทําอบนี้แต่ฉันจะยังไม่ทํำอื่นฉันจะทําอบนี้คือการที่คิดว่าตั้งใจตั้งใจไว้เลยนะว่าฉันจะทําอบนี้อันนี้คือสัมมาสติแล้วเกิดขึ้นทันทีแต่ว่าได้แถมมาแล้วคือคือมันมาด้วยกันไงคือมันมาด้วยกันอยู่แล้วไงค่ะคือคือมันมาด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะทําสัมมาวาจาคุณต้องมีสัมมาสติอยู่แล้วมันมาด้วยกันค่ะอันนี้เป็นสิ่งดีละค่ะ เพราะฉะนั้นไอไความคิดที่ว่าทิฐิความเห็นที่ว่าฉันจะต้องมาทําตรงเนี้ยสัมมาทิฐิก็เกิดขึ้นดันดีผมแปลว่ามันมาด้วยกันอย่างเงี้ยนะทีนี้ก่อนที่จะไปขยายความเรื่องนั้นแต่มาต้องการจะพูดถึงในแต่ละสอย่างในสัมมาวาจที่มี4อย่างเนี่ยมันจะมีความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนกันอยู่นิดนึงเลยจะขยายความเรื่องของการที่ไม่พูดเท็จก่อนซึ่งการที่ไม่พูดเท็จก็คือหมายความว่าการที่ไม่ กล่าวให้มันผิดต่อโลกหมายว่านะไม่กล่าวให้ผิดต่อโลกเนี่ยก็คืออะไรที่เราเห็นเราบอกว่าไม่เห็นอะไรที่เราได้ยินเราบอกไม่ได้ยินอะไรที่รู้มาบอกว่าไม่รู้นะหรือในทางตรงข้ามไม่รู้บอกว่ารู้ไม่เห็นบอกว่าเห็นอันนี้คือการโกหกนะการโกหกกล่าวผิดนะคือจ ง, งใจตั้งใจเจตนาว่าจะทำอย่างนี้อันะนี้คือลักษณะของอการที่พูดเท็จ ซึ่งมันไม่เหมือนกับการที่ไม่พูดอะไรนะอันนี้ต้องทําความเข้าใจการที่เราไม่พูดนิ่งเอาไว้เงียบเอาไว้ไม่ใช่ว่าเป็นการพูดเท็จแตการที่เราไม่พูดนะนิ่งเอาไว้เงียบเอาไว้เช่นแม่ถามว่าหมอมาตรวจนะแม่ก็ถามว่าลูกๆหมอบอกว่าแม่เป็นโรคอะไรเป็นมะเร็งหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นมะเร็งจริงๆนะหมอบอกว่าคุณๆลูกของแม่คุณเนี่ยเป็นมะเร็งนะแล้วลูกบอกแม่ว่าอ๋อแม่ไม่เป็นมะเร็งหรอกอันนี้คือโกหกเลย อันนี้คือโกโหกอันนี้ผิดเลยน ะ, ะแต่ถ้าลูกไม่พูดอะไรเงียบๆนะก็ไม่ผิดนะหรือถ้าลูกพูดว่าเออแม่ไปเที่ยวที่นั่นเป็นยังไงบ้างเออกินอะไรนี่หรือยังชวนพูดเรื่องอื่นอันนี้คือไม่ผิดข้อนี้น ะ, ะโอเคนะ น, นี้คือคในข้อที่1เรื่องของการที่ออไม่พูดโกโหกโอเคถัดมาคือการที่ไม่พูดออคําหยาบนะคำว่าคําหยาบเนี่ยจะมีอยู่2ออย่างคือวาจาที่ชาวเมืองเขาพูดกัน และนี่คือส่วนที่1นึนะวาจาที่ชาวเมืองของพูดกันเช่นสมัยปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ได้พูดภาษาสมัยพ่อคุณรามกําแหงค่ะ <Okay. S 1> โอเคนะเช่นคําว่ากอไก่หรือมอม้าอย่างเงี้ยเรียกฉันเรียกเธอนี่คือภาษาที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันถ้ารูปแบบการใช้ภาษาถ้ามันเป็นคําที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันไม่ได้เป็นคำหยาบอันนี้คือดีอันนี้คือส่วนที่1ในส่วนที่2คือการพูดที่ทําให้เขาเนี่ย เ, เคลื่อนออกจากสมาธิแบบกระแทกจิต พูดแบบกระเทือนจิตเขาอย่างเงี้ยพูดเสียดสีเขาอย่างเงี้ยซึ่งการพูดเสียดสีการที่พูดให้เขาแบบจิตเขาสะเทือนไปอันนีก้การพูดคำหยาบอยาเช่นว่าคนนี้เข า, เาใส่ซื้อเสื้อใหม่มาอย่างเงี้ยนะ เ, เราก็พูดว่าโอ้โหเธอเหมือนกับข้าต้มมัดเออเหมือนกับข้าต้มมัดเลยนะอันเนี้ยไม่ได้พูดคําหยาบเลยนะไม่ได้ใช้กรหรือมอเลยนะ แต่พูดธรรมดาๆเนี่ยแต่หมามันบาดเหลือเกินในการบาดเนี่ยคือพูดคำหยาบนีพูดมันกรีดเขาเนี่ยพูดเนบเ้าเนี่ยอันนี้คือพูดคำหยาบค่ะไม่ใช่เสียสีไม่ใช่คือเสียสีตรงนี้แหละเสียสีคือพูดคำหยาบนั่นเองเสียสีแต่ซึ่งซึ่งตรงในข้อที่สามตรงนี้จึงสับสนกันเพราะว่าข้อที่สามเนี่ยเป็นคําพูดส่อเสียดนะคำพูดส่อเสียดไม่ใช่คําพูดเสียสีนะแต่คําพูดส่อเสียดเนี่ยคือพูดลักษณะที่ยุยงให้แตกกัน อนะยูุยงให้แต่งการมีความหมามั่นแล้วว่าคนนี้เขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่ได้เป็นอย่างอื่นนะแล้วก็อาจจะพูดต่อนหน้าหรืออาจจะพูดรับหลังก็ได้ตรงนั้นนะเช่นเราเอาคําข้างนี้ไปบอกข้างโน้นเพื่อแตกจากอีกฝ่ายหนึ่ง <Okay. S 1> ซึ่งไอ้คำที่บอกเนี่ยไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่าฉันปักใจมั่นไปแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ค่ <Okay. S 1> นะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่พูดว่าจะส่อเสียดแตนะ่ไม่ใช่เสียสีนะส่อเสียดคือการพูดสับสอนะถ้าบางคนก็จะเข้าใจนะคําว่าสับสอนเนี่ยคือหมายถึง การพูดยุยงให้แตกกันนะโดยเข้าใจความไปอีกแบบหนึ่งนะซึ่งคานั้นอาจจะจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้แนะ่ะแต่เขาอาจจะเป็นอย่างนั้นแตนะ่ต่อให้จริงก็ตามแล้วเราเอาไปบอกคนอื่นด้วยเจตนาเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไม่ชอบกันด้วยเจตนาที่จะให้เขาเนี่ยแบบไม่ลงรอยกันนะหรือให้เข้าใจไปเป็นอย่างอื่นอันนี้ถือว่าเป็นการวาจาที่ส่อเสียดหือพูดสับสอซึ่งจะไม่เหมือนกับ เสียดสีเสียดสีนี่จะไปตกอยู่ในหมวดของคำหยาบโอเคถัดมาคือเรื่องการพูดเพ้อเจ้อนะการพูดเนะพ้อเจ้อเนี่ยยังรวมถึงการที่พูดมากเกินไปแต่ไม่ใช่แค่พูดเรื่องที่ไม่มีประโยชน์นะไม่ใช่แค่พูดโดยที่ไม่มีหลักฐานนะนะไม่ใช่แค่นั้นเอาง่ายๆอย่างเช่นว่าการพูดที่ใส่ความกันนะฉันคิดว่าเธอแม้เธอมาสายอย่างนี้นะ ฉันก็คิดว่าเธอเนี่ยต้องอตื่นสายแ น, น่ๆเลยนะ่ะพูดไปอย่างนี้โดยที่ไม่ได้มีหลักฐานว่าเขาจะตื่นสายหรือไม่ไม่รู้ละ่ะแต่พูด ค, คือมาก่อนละพูดใส่ความกันละน่ะพูดใส่กันอย่างเงี้ยอันนี้ก็เพอร์เชอด้วยแล้วก็เสียสีด้วยนะหยาบด้วยแล้วก็เพอร์เชอร์ด้วยเพราะไม่มีหลักฐานค่ะอ่ น, นี่คือลักษณะคําพูดเพอร์เชอร์ยังรวมถึงเรื่องที่ไม่มีหลักฐานไม่มีอ้างการอ้า ง, อ, างอิงผิดเวลา ต่อให้มีประโยชน์ก็ตามแต่ผิดเวลาหรือต่อให้จริงนะมีประโยชน์แท้ด้วยแต่ผิดเวลาก็ถือว่าเพอเจอร์เหมือนกันอ๋อค่ะคือท่านยังเข้าใจว่าอันนั้นเป็นลักษณะการพูดของพระพุทธเจ้าในส่วนของที่ท่านได้พูดถึงตอนหลังว่าเป็นเพอเจอร์คือพูดผิดเวลาถึงแม้วจะจริงถึงแม้วจะมีประโยชน์เนะะี่ยค่ะอันนี้อยู่ในบทพยัญชนะเลยที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงคําว่าการพูดเพอรเจอร์เนี่ยการพูดที่ไม่มีหลักฐา น, ท, านที่อ้างอิง ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่สมควรแก่เวลาไหนําว่าไม่สมควรแก่เวลาเนี่ยก็คือพูดยาวเกินไปพูดไม่ได้เหมาะการพูดไม่ได้จะให้มันถูกต้องแก่เวลาเวลานี้ไม่ควรพูดเรื่องนี้ดันํามาพูดอย่างเงี้ยถึงแม้มันจะมีประโยชน์เป็นเรื่องจริงก็ตามก็ถือ ว, ว่าลงในข้อนี้เป็นวาจาเพรสเจอร์อ๋อเดี๋ยวฉันคิดว่าเรื่องเพรสเจอร์นี่สงสัยต้องคุยต่ออีกนิดนึงเพราะว่าความเข้าใจของคนทั่วๆไปนะคะอาจจะเข้าใจ แต่ว่าเหมือนกับคนไทยนะคะอชอบพูดอะไรให้มันขำชอบพูดสนุกสนุกปล่อยมุกแบบว่าค่ะป ล, อล ก, กอไม่มีสาระอย่างเงี้ยนะอันนี้เพอร์เจอร์แน่นอนค่ะั้นแต่ถ้าพูดในเรื่องมีสาระแล้วให้คนขำได้นี่อันนี้อันนี้นนไม่ไม่เพอเจอไม่เพอเจอร์ออรใ ช, ใช่เพราะบางทีมุกตลกบางมุกก็ไม่เพอเจอร์เราต้องคิดหามุกพวกนี้มาใช้อันนี้สมควรอยู่ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามุกตลกนั้นเป็นมุกตลกที่ คนกลุ่มหนึ่งฟังขำแต่คนอีกหนึ่งกลุ่มฟังแล้วขมขืน่นเป็นขคคำขคืนอย่างเงี้ยคะ่ะ อ, อันนี้ถือว่าเป็นคําพูดแบบไหนคะอันนี้ก็จะเป็นเพ้อเจอด้วยแล้วก็เสียดสีคือคำหยาบด้วยอ๋อค่ะพูดถึงว่า ถ, ถ้าเอาประเด็นต่อจากโยมนะคะก็คือหมายความว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยโลกมันก็จืดชืดมากเลยค่ะคือถ้าเราพูดแล้วเราสามารถที่จะรักษาสามาวาิจารไดนะ้ความสีสันของตรงเนี้ยมันจะอยู่ตรงสมาธิที่เราจะได้ เพราะว่าคนที่รักษาสมาวาระรักษาการรักษาวาจาได้แล้วเนี่ยคุณจะทําจิตให้เป็นสมาธิได้สีสันของจิตที่มันจะสวยงามมีคุณค่ามี value มากเนี่ยก็คืออยู่ตรงสมาธิตรงนั้นนะ ค, คือเราจะไม่ได้เอาประโยชน์จากตรงที่ว่าเราพูดแล้วเล่นสนุกอันนี้มันประโยชน์น้อยมีประโยชน์อยู่ไหมก็มีอยู่แต่ว่ามันน้อยมันให้ความสุขได้อยู่แต่มันก็แค่ขัดฟันนิดนึงแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้ได้แล้วเราไปเอาประโยชน์ต่อไปสีสันมันอยู่ตรงนั้นตรงที่เราจะได้สมาธิ เพราะฉะนั้นถ้าท่านเอาวิเคราะห์ cross, ตรงนี้ให้ดีนะคุณโยมติว๋วเรื่องของการแสดงทั้งหมดการร้องเพลงทั้งหมดแล้วมันก็จะมามีที่มันจะทําให้ตรงนี้มันไม่ไ ม, ไม่ถูกต้องร้อเอร์เซนตได้ค่ะนะเพราฉะนั้นอาชีพนี้ก็จะต้องระวังนิดหนึ่งค่ะยิ่งถ้าคือเรนคิดว่าหลายๆอาชีพเลยล่ะพอฟังแบบนี้เพราะว่าเราก็ต้องพูดกันอยู่แล้วก็สมมุติเป็นนักขายหรือเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปแล้วก็คือพูดต้องพูดอย่างมีสติ ทำยังไงถึงไม่ให้เป็นมิจฉาวาจามากที่สุดเพราะโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นก็เกิดได้เสมอท่านคะพูดถึงนะค่อนข้างยากนะคะในการที่ถ้าฟังดูอย่างนี้เหมือนกโอโ้โห <laughs> ต้องคิดมากตลอดมีหลักให้ง่ายขึ้นไหมคะ <Okay. S 1> ในการที่จะรักษาสมาวาจาเลยหลัก ง, ง่ายๆตรงนี้ป ร, ริจาให้ไว้ข้อเดียวก็คืออย่าพูดโกหกกแล้วกันอันนี้คือศีลเน่ยศีล น, นะศีล เอาเฉพาะ <Okay. S 1> ส่วนที่เอาสามารถวาจา3ข้อออกไปเอ า, เ อ, า <Okay. S 1> อีกข้อหนึ่งเอาไว้อันนี้อย่างน้อยรักษาให้ได้ตรงนี้คือเรื่องของการไม่พูดโกหกไอ้ที่รู้ <Okay. S 1> อย่าบอกว่าไม่รู้ไอ้ที่ไม่รู้อย่าบอกว่ารู้เอาแค่นี้ <Okay. S 1> ก่อ น, น, นแล้วเรื่องอื่นเนี่ยเราค่อยๆฝึกจิตให้มีกําลังมากขึ้นเราก็ <Okay. S 1> ค่อยทําเพิ่มเติมไปอย่างน้อยศีลเรารักษาให้ได้ในข้อที่เกี่ยวกับวาจาอย่างเงนะี <Okay. S 1> ้นะบางทีคนอยากเนีย้ยเพื่อจะคิดจุดจิตไหมคะเช่นเพื่อนเขาถามว่าทุกอะไรล่ะ สมมติในระหว่างบทสนทนานะคะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าในที่สาธารณะอย่างนั้นเราก็ไม่อยากสอบตรงๆว่าทุกอะไรอืแล้วเราก็มีความทุกข์อีกอย่างหนึง่งคือเขบอกว่าทุกอะไรล่ะออ่ถ้ามีทุกขอยู่แล้วจะเพิ่มไปอีกอย่างนึงก็คงไม่ทําให้หนักเกินไปหรอกอะไรเงี้ยนะคะออื่การตอบแทนที่เราจะไปตอบตรงเป๊ะว่าทุกหลักนะ่ยคืออะไรก็กลับมาตอบในส่วนที่เป็นความทุกข์ที่จริงๆอีกทุกนึงอืว่า ไม่เอาหรอกตอนนี้กระทุกข์กันหนักเกินมากอยู่แล้วอือย่างนี้โกหกไหมคะอ่าก็ตอบอันนี้คือเป็นการตอบเลี่ยงไปเนี่ยไม่ได้ตอบตรงคําถามซึ่งถ้าเรามาดูแล้วพระพุทธเจ้าก็เคยทําอย่างนี้เหมือนกันะนะเขาถามเรื่องโลกพระพุทธเจ้าตอบนิพพานอย่างเงี้ยไม่ได้ตอบเรื่องอะไรที่เขาจะต้องมาสนใจใครรู้เพราะฉะนั้นมันมันไม่ผิดหรอกแี่ไม่ผิดในกา่ว่าที่ว่าเราไม่ได้บอกว่าไม่รู้ แต่เราตอบอีกเรื่องหนึ่งใบก็คือเหมือนกระชวนสนทนาไปเรื่องอื่นนะไม่ได้ปิดในเรื่องของข้อโกหกอยู่แล้วนี้ค่ะคือในรายละเอียดอันนั้นไปปรับประยุกต์กันไปแล้วกันนะคะเพราะว่าที่พูดได้พูดหลักๆแล้วก็ที่ถามเป็นง่ายเป็นมุมก็เป็นเกรดให้อ่าเพื่อจะได้ความรู้เพิ่มเติมมีอะไรที่จะเพิ่มเติมให้กับท่านฟังเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาวาจาอีกไหมคะในวันนี้เพราะที่ชันอยากจะให้เป็นเรื่องเนี้ยอย่างค่อนข้าง อันนี้ในประเด็นแรกที่เราทําความเขา้าใจในแต่ละสัมมาวาจาในสีข้อแล้วน ะ, ะสิ่งที่เราต้องทําความเขา้าใจต่อไปก็คือว่ า, เ, าเราจะเอามาปฏิบัติในแง่มุมต่างๆของชีวิตของเราเช่นว่าอยู่ที่ทํางานเราอาจจะทําได้พูดกับเจ้านายเรียบร้อยสุภาพไม่นินทาใครรับหลังเอาเอามาทําที่บ้านด้วยได้ไหมกับพ่อแม่กับลูกกับพี่น้องเอาฝึกทําสัมมาวาจา น, นไม่ใช่กับเฉพาะใครคนใดคนหนึ่ง แต่ทำให้ได้มันในทุกๆุกที่ในทุกๆเวลาอันนี้คือในประเด็นที่สองฝึกทําำอันนี้ทําได้แน่นอนอยู่แล้วนะคือคือไม่มีโอกาสที่เราจะได้ทําอยู่ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะท่านคะแล้วถ้าสมมุติว่าเรากําหนดจิตใจของเราว่าเราอยากสร้างกุศลทุกวันนะอืโดยที่เป็นกุศลที่ไม่ต้องเป็นลําบากหุงหาอาหารซึ่งมันอาจจะไม่ง่ายสําหรับหลายๆคนทุกวันที่ตื่นตอนเช้าฉันจะตั้งใจว่า ฉันจะพูดดีๆให้กับทุกคนฉันจะยิ้มให้กับทุกคนที่มีโอกาสสบตากันไม่มากก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะค ะ, อ, อ, ะอันนี้เกี่ยวกับสัมมาวาจาหรือว่าเกี่ยวกับกุศลอะไรไหมคะอันนี้คือเป็นสัมมาทิฏฐิตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่สาที่ต้องการพูดว่าการที่เราตั้งใจในการที่เราจะทำสัมมาวาจาเนี่ยการที่เรามีความเห็นอย่างนี้นี่คือเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วนี่คือยังไม่ได้ทาเลยนะที่เราจะทาเนี่ย เราก็มันจะทําอำแค่ตั้งใจตรงนี้อันนี้คือเป็นสมาทิฏฐิแล้วสัสมาทิฏฐิแล้วคุณตั้งใจระลึกแล้วสัมมาทิฏฐิตรงนี้ก็มาพร้อมกับสัมมาสติด้วยเพราะคุณตั้งใจขึ้นแล้วไงการตั้งใจตรงนี้คือการตัดสินใจละในการตัดสินใจละแล้วถ้าไอ้จุดที่จะกระทำมันมันจะทําได้หรือไม่ได้อันนี้คือก็จะเป็นสัมมาวาจารที่จะเกิดหรือจะไม่เกิดเดี๋ยวน้อยคุณตั้งใจแล้วนะคุณมาแต่ถูกทางแล้วนะคือมีสัมมาสติมีสมาทิฏฐิแล้วนะแล้วพอถึงจุดที่จกระ แหมคนนี้ก็ทําให้เราไม่พอใจพอดีทําไมหน้ามันบึ้งอย่างนี้อยาจะยิ้มกับก็ไม่อยากยิ้มไม่ได้ยิ้มหรือว่าไม่ได้คิดพูดดีๆกับเขาอย่างเงี้ยการที่ไม่ได้พูดดีๆก็คือทาสัมมาวาจาไม่ได้ละ่ะแต่น้อยก็ยังมีสัมมาทิฏฐิยังมีส ม, มาสติแล้วถ้าบอกว่าทําได้สัมมาวาจา ก, ก็เกิดขึ้นอีกค่ะเราก็นอกจากมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาวาจามีส ม, มาสตแิแล้วเวลาที่เราทําได้ก็เป็นสัมมาวาจากเกิดขึ้นใช่ไหม <C HA> แล้วคนที่ทําอย่างนี้ได้เนี่ยแน่นอนว่าความคิดจิตของเขาเนี่ยก็จะดําริไปในทางที่มันดีๆคือคนจะพูดดีได้เนี่ยอย่น้อยจิตมันก็ต้องมีความดีบางส่วนน่ะแต่ถ้าไ <C HA> ความดําริคิดไปในทางดีนั่นก็เป็นสัมมาสังกัปปะเกิดขึ้นด้วยค <C HA> ่ะได้หลายสัมมาแล้วนะคะเนี่ยสีสัมมาแล้วค่ะใช่ทิฏฐิสติวาจาสังกัปป ะ, ะ, ะแล้วเวลาที่เรากําลังทําสัมมาวะจ า, ายอย่างเนี้ยแน่นอนว่าเราจะไม่ได้พูดโกหกจะไม่ได้พูดหลอกลวง จะไม่ได้พูดชักจูงจนให้เจ็บใจตนต้องยอมตกลงหรือจะไม่ได้ร่อล่าบโดยลาบในเป็นลักษณะของการพูดที่จะไม่ได้ทําอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของสัมมาอาชีวะด้วย <Okay. S 1> นะเพราะว่าคนที่ทํามิจฉาอาชีวะเนี่ยนะคือการทําอาชีพอะไรได้เงินมาเพื่อที่จ ะ, ะให้มีการได้เงินมาโดยการพูดโกหกโดยการพูดที่ล่อลวงให้เขามาทํามาให้เงินเราหรือการพูดที่ให้ <c oughs> ท้าให้เจ็บใจจนเขาต้องยอมตกลงหรือการล่อลาบโดยลาบ ซึ่งก็จะ ถ, ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้<ค>ก็ชื่อว่าเป็นไม่มีมิจฉาอาชีวะก็เป็นสัมมาอาชีวะเกิดขึ<ค>้นก็ได้อีกอันนึงละอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น<ค>มันมาด้วยกันตรงนี้ห้าอย่างนะถูกไหม<ค>ในส่วนสัมมารกรรมมันตได้ด้ไหมคะเอ่อต่นั้นคือเรื่องของการกระทําทางกายอ๋ออ่าคือยังไงทางกา ย, ายถ้ า, เ, าเราคือคือถ้าสมมติว่าจิตเรารักษาได้มีสัมมาสังกปะอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วแล้วก็มีสัมมาสติด้วยเนี่ยโหกายมันจะผิดได้ยากมาก ค่ะแล้วที่ฉันว่านะคะเรื่องของสัมมาวายามะเนี่ยที่มีรายละเอียดว่าให้ละอกุศลให้สร้างกุศลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็กําลังจะทําในสิ่งที่เป็นกุศลน่คะถูกต้องถูกต้องมันจะมาด้วยกันไงมันจะมาะด้วยกันนะคะก็เท่ากับว่าตอนนี้นี่ได้ไปกับครบเลยนะคะเนี่ยสัมมาหกข้อละสัมมาทิฏฐิสติวาจาสังกัปปะ สัมมาอาชีวะสัมมากรรมมันตะสัมมาวายามะอ่าววายามะอาวายามะคือในขณะที่เรากําลังทำํำความสิ่งดีๆตรงนี้เนี่ยนะกุศละธรรมมันเพิ่มอยู่แล้วถูกไหมสิ่งที่เป็นกุศลนั่นก็คือพวกสัมมาต่างๆนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสิ่งที่เป็นอกุศลคือพวกมิจฉาต่างๆก็จะลดลงลดลงไอ้การเพิ่มขึ้นของกุศลลธรรมการลดลงของอกุศลธรรมที่ไปพร้อมๆกันตรงนี้คือการทําจริงแน่วแน่จริงนั่นคือสัมมาวายามะก็เกิดขึ้นด้วย อันนี้มาด้วยเลยอันนี้แน่นอนเยอะมากมายนะคะแล้วสัมมาสมาธินี่เราได้บ้างไหมคะเนี่ยคือคนที่สามารถรักษากายวาจาได้รักษาศีลได้จิตของเขาก็จะไม่ร้อนเนี่จะไม่ร้อนใจพอไม่มีความร้อนใจจะมีปีติมีสุขเป็นสมาธิได้แต่นี้ผลที่เกิดขึ้นาอาจจะเป็นในขั้นตอนต่อๆมาอาจจะไม่ไ ด, ได้เกิดปุป๊บปั๊บมันเหมือนกับน้ําที่ค่อยๆไหลมาอาจจะใช้เวลาบ้างแต่ก็จะมาด้วยกันได้แน่นอน ค่ะแต่ที่เราฟังกันมาวันนี้ท่านฟังคิดเหมือนดิฉันไหมคะว่าโอ้โหแค่คุมปากเท่านั้นเองเนี่ยได้กุศลเยอะเลยเพรา ะ, ะได้องคองประกอบของอริยะอัดถังคิคกมรคหรือว่ามรคมีองแปดเนี่ยเกือบครบท์นะคะและถ้าสมมุติว่าทําได้อย่างยิ่งยวดเกิดปิติเกิดสุขอย่างที่ท่านว่าอันนี้เกิดครบเลยยังเป็นได้เลยถ้าหากว่าคุมวาจาอย่างเดียว ใ, ในบางคนที่ที่มีความละเอียดประณีตมากมากก็เป็นอันว่าวันนี้ อ, อริยะอัดถังคิกะมักในมุมที่ยกมาให้ความสำคัญเด่นๆคือสัมมาวาจานั้นหน้าที่จะเข้าใจกันไปทั่วถึงออกแต่บางคนเลยบอกว่าอ้าวแล้วที่บอกว่าปฏิบัติปฏิบฏัติอริยมัตมีองค์แปดอริยะอัดถังคีกะมักเนี่ยผลได้อะไรหรอคะ อย่างที่เรามาพูดไปตน้งตตอนต้นเลยว่าเราจะเป็นผู้ที่เป็นธรรมธายาธของพระพุทธเจ้าได้ธรรมธายาคือเป็นธายาธโดยธรรมอันนี้ถือว่าเป็นมรดกของพระพุทธเจ้าที่ได้ให้ไว้เลยนะ อ, อ๋อค่ะชีวิตนี้ได้มรดกแน่นอนอืมได้มรดกอันของพระศาสดาซะด้วยใช่คือได้เป็นธรรมธายาธสบายใจแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เลยไปตั้งหน้าตั้งตาเลยพ่อแม่ไม่มีมรดกจะมอบให้ ฉันได้มรดกจากคนยิ่งกว่าพ่อแม่อีกคือพระศ า, าสดานะคะค่ะแต่ว่าต้องลงทุนทำหน่อยท่านไปบุญช่วงนี้กำลังอยู่ในว่วงเวลาของการมีคอร์สปฏิบัติถูกไหมคะเรียนาใช่เห็นบอกว่าคอร์สครั้งนี้พิเศษเนี่ยนะคะก็เป็นในในปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีคอร์สที่สำหรับผู้ที่เคยมาปฏิบัติแล้วน่ก็คือในเดือนสิงหาคือเป็นคอร์สคนเก่าว่ า, วาง่ายๆค่ะ<ๆ>นะคะก็อย่างสละเวลา มาจัดรายการให้กับท่านดิฉันเองก็ได้ขอไปร่วมในคอสนี้ในบางส่วนด้วยถ้าหากว่ามีอะไรที่จะนำมาสนทนากันต่อไปในสัปดาห์ถัดไปก็น่าที่จะได้มาพูดกันมาสนทนากันกับท่านไพบู์นะคะจตริพ วันนี้กราบนมัส ก, การขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะนักศึกษค่ะท่านผู้ฟังที่รครับค่ารายการสันสนีส น, นานะคะเราก็ตั้งใจที่จะให้ท่านได้ประโยชน์จากการฟังรายการให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้รายการของเราก็จึงมีส่วนของการที่จะให้ท่านนั้นได้ฝึกสติไปด้วยและเนื่องจากดิฉันเองตั้งใจที่จะศึกษาอริยสัจจากพระโอษฐ์ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นในห้วงเวลาเข้าพรรษานี้ก็เลยถือโอกาสที่จะนําเอาเนื้อหาในหนังสือเนี่ยนะคะ มาเขาเรียกว่าแชร์สมัยใหม่นะคะแชร์ที่มาแบ่งปันกันมา เ, าเรียนรู้ไปร่วมกันให้ยิ่งยิ่งขึ้นโดยมีพระคุณเจ้าซึ่งผ่านการศึกษาอย่างหนักมากกว่าเราเนี่ยนะคะมาให้ความรู้นั่นคือท่านเผยบุญหรือว่าพระมหาเผยบุญวันนี้เราก็ใช้เวลากันมาพอควรแก่เวลาแล้วสถานีวิทยุแห่งนี้สถานีวิทยุครอบครัวข่าวนะคะ f m ฟเอได้สละเวลาอันมีค่าให้กับพวกเราก็ขอให้ พวกเรานั้นได้ใช้เวลานี้อย่างคุ้มค่าถ้าได้เป็นธรรมทานญาติด้วยในที่นี้นถือว่าจะอนุโมทนากับทุกท่านอย่างยิ่งเลยนะคะวันนี้เราลากันไปแต่เพียงเท่านี้พุทธสวัสดีค่ะ